สารอุทธรผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งที่มีการปฏิบัติธรรมได้ดีมากไปหาหลวงปู่ทาจารุธรรมโมจะไปกราบเรียนในหลวงปู่ทาทราบว่าจิตสว่างและผ่องใส ย, ยิ่งนักแต่ทําไมบางครั้งความสว่างและความผ่องใสมันหายไปอยากให้มันสว่างมากยิ่งขึ้นไปและตั้งอยู่ได้นาน หลวงปู่ทาได้กล่าวว่าอย่าส่งจิตออกนอกท่านปู่นันก็ยังไม่เข้าใจอีกก็คุยต่อไปอีกว่าจิตนั้นมีความสงบยิ่งนัดมีความเบาสบายยิ่งนักแต่ทำไมความสงบแล้วความสบายนั้นมันตั้งอยู่ได้ไม่นานความอึดอัดมันก็เข้ามาแทนที่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้หลวงปูา่าท่านได ดูขึ้นมาว่าอย่าส่งจิตออกนอกเขาก็ไม่เข้าใจอีกก็บอกว่าใจเนี่ยใสมากเลยใจมีความใสมากเหมือนเพชรที่ใสเหมือนเจลไนมันใสเข้าไปใสเข้าไปทุกทีมีความพึงพอใจต่อใจที่ใสเหมือนเพชรนั้นเหมือนแก้วเหมือนเพชรนั้นเหมือนแก้วเจลไนนั้นตอนนี้หลวงปู่ทาดูเราบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอก จะเห็นว่าต่องจิตออกนอกไปเดิมไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือการส่งกรณีอย่างนี้คือการส่งจิตออกนอกการที่เขาไปยึดถือก็ไปสนใจให้ค่าให้ความสําคัญเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปอยากไม่อยาก ต, าต่อสิ่งใดเป็นกรณีที่ส่งจิตออกนอกทั้งสิน้นการเข้าไปยึดถือนั่นคือการส่งจิตออกนอกทุกครั้งที่ส่งจิตออกนอกจึงต้องมีสติรู้ตัวรู้ตัวทันทันที เพราะการส่งจิตออกนอกมัน no. ทําให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในงานพอมันสบายอยู่ด hmm. ีสงบสว่างว่างอยู่ดีมันก็เลยอึดอัดทึบความสงบก็หายไปการความกุญิ์ฟงซ่านลำการใจเข้ามาแทนที่เพราะมิความกุญธ์ฟงซ่านลำการใจเข้ามาแทนที่แทนที่เราจะรู้ตัวว่าในความกุญธ์ฟงซ่านลำการใจที่มันเข้ามาแทนที่หรือความอึดอัดทึบตื้อที่เข้ามาแทนที่นั้นมันเกิดจากการที่เราส่งจิตออกนอกเข้าไปยึดถือเข้าไปสนใจให้ค่ายความต้องการเข้าไปยินดียินร้าย เขาไปพอใจไม่พอใจเข้าไปอยากหรือไม่อยากอ ย, ากอย่างไรเราก็ไม่รู้สาเหตุอีกเรากลับไปเข้าไปยึดถือซ้ำสองเข้าไปส่งกิตออกนอกต่ออาการที่ไม่ชอบใจเหล่านั้นอีกเข้าไปดิ้นรนผักายอยากให้อาการเหล่านั้นหายไปความทุกข์ก็ไม่สิน้นเพราะความทุกข์ก็เกิดจากการดิ้นรนนี้เองเกิดจากการส่งกิตออกนอกเข้าไปพอใจไม่พอใจนี่เองเข้าไปพยายามดิ้นรนักใส อาการที่ไม่ไม่ไม่ชอบใจไม่สุขใจมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ไม่สิ้นทุกข์แต่สตีเมื่อไรที่เราเห็นจิตเห็นใจอย่างนี้จนสัตว์ตะวันดูสัตว์ตะวันรู้สัตว์ตะวันเห็นทุกอาการไปไม่ส่งจิตออกนอกคือไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปอยากไม่อยากอย่างไรไม่เข้าไปสนใจให้ค่ายความสําพันธให้รู้สัตว์ต่ว่ารู้ เมื่อไรเข้าไปยึดถือหรือทรงกิดออกนอกก็ทําความรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีและหลุดออกมาจากการเข้าไปยึดถือเสียในขณะปัจจุบันนั้นๆวิธีที่จะหลุดออกจากความยึดถือได้ในขณะปัจจุบันนั้นๆก็แล้วแต่ว่าเทคนิคของแต่ละคนในขณะปัจจุบันนั้นนั้นจะใช้เทคนิคอย่างไรก็ได้ที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่มีการเปลี่ยนแปยงตนเองและไม่มีการเปลี่ยนแปยงกับผู้อื่นแล้วทําให้ หลุดออกมาจากสิ่งที่ยึดถือนั้นได้ก็ใช้ได้ทั้งหมดไม่ผิดขอให้หลุดได้เร็วในขณะปัจจุบันนั้นรู้ตัวให้เร็วและหลุดออกมาให้เร็วด้วยวิธีใดก็ได้ที่ไม่ไทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือ ด, ด, ดร้อนกรณนนีที่หลุดออกมาแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อน <S <s ก็เช่นไปติดสุรายาเสพติดไปเล่นการพานันหรือไปติดอย่างอื่นแทนอย่างนี้เรียกว่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนออกจากสิ่งนั้นได้คือไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นได้แต่ ทำให้ตัวเองเดือดร้อนพันี้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนคือไปด่าว่าเขาเลยไปทําร้ายเขาเลยแล้วทําให้มันก็ทําให้หายอึดอัดหายครับแขนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าหาทางออกที่พ้นทุกข์โดยวิธีทาให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ความสามารถทางด้านใดก็ได้ที่สามารถหลุดออกจากการเข้าไปยึดถือในปัจจุบันนั้นๆ ได้ก็ใช้ได้ศุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างไว้มากมายหลายอย่างเช่นการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของสโปรกมีแต่ความเน่าเปื่อยผุพังในร่างกายมีแต่ของสโปรกมีแต่อุจระปัสสาวะไม่น่ารักไม่น่ายึดถือเลยหรือว่าพิจารณาเป็นมรณวติเน่าเปื่อยผุพังพ่จาราเห็นว่าเป็นธาตุ ร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสารอาหารต่างๆที่กินเข้าไปธาตุของแข็งก็เป็นธาตุดินของเหลวก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ร่างกายประกอบไปด้วยธาตุไม่ใช่เป็นจัดบุคคลตัวตัเราเขาหรือบางท่านก็เห็นว่าเป็นนิจังบางค่า้ก็เห็นว่าเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นว่าไม่เที่ยงอะไรเกิดขึ้นมามันท้งหมดเป็นเที่ยง สิ่งใดก็ตามที่ถูกรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายจนไม่เที่ยงเป็นนิจังไม่เทียเ่ยงเห็นแต่ความไม่เทีย่ยงยึดถือไม่ได้หรือเห็นว่าเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความพัดพ่างชีวิตเกิดมามีแต่ความทุกข์น่าเบื่อหน่ายไม่น่ายึดถือเลยไม่น่าเกิดมาใหม่ให้เป็นทุกข์อีกเลยหรือเห็นว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งร่างกายจิตใจนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เป็นเพียงแค่สังขารคุ้มแต่งไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราคุณจะเห็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ไว้ในใจตลอดเวลาได้แต่สักแต่รู้ไม่ก็ไปยึดถือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือบางคนก็ใช้วิธีการง่ายๆเขารู้ตัวว่าทรงคิดออกนอก หรือเข้าไปยึดถือเข้าไปสนใจให้ค่ายความสำคัญสิ่งใดก็ทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเขาย่าตัวแรงๆกระพริบตาแรงๆบดบไา้บีบมือกำมือขึ้นมาทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเขาย่าตัวขึ้นมาเร็วๆทุกครั้งมันก็หลุดออกจากสิ่งที่เข้าไปยึดถือได้ทุกครั้งพิธีนี้ก็เร็วดีทําให้เรเร็วขึ้นมาซ้ำการบรรลุตัวช้าสุดให้ใจวิจารณจริงๆจากทุกสิ่ง ขอให้มีความเพียรมีสติที่จะรู้อยู่ทีใจดูอยู่ทีใจบางคลบอกว่ามันเป็นรู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจแล้วมันไปจิตเห็นจิตแล้วมันอึดอัดกลัวความอึดอัดไม่ดูสักเลยมันก็ไม่อึดอัดแต่ไม่ดูมันไปรู้อย่างอื่นไปส่งจิตออกนอกหมดแล้วมันก็เลยไม่อึดอัดไปกันทพราะม่รู้มันไปเพลินใจจะไปเพลิดเพลินเจริญใจกับสิ่งใดภายนอกตลอดส่งจิตออกนอกตลอดมันก็มาอยูุดอัดแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันส่งจิต้อกนอกตลอดจะหยดอัดได้ยังไง มันก็ได้แต่มีความเพเลิดเพลินเจริญใจแต่มันไม่พ้นทุกข์ขอให้มันมีสติรู้อยู่ทีใจหรือจิตเห็นจิตอึดอัดขึ้นมาสันทีกลัว ค, ความว่าดูแล้วเดี๋ยวมันจะอึดอัดกลัวความอึดอัดมันจะอึดอัดได้ยังไงในเมื่อถ้าจิตเห็นจิตมันเป็นมรรคหรือสติรู้อยู่ที่ใจมันเป็นมรรคเป็นเหตุให้ดับทุกข์เป็นเหตุให้พ้นทุกข์แล้วมันจะทุกข์ได้ยังไง แต่พอเรามาดูที่ใจเราไม่ได้เราไม่ใช่มาดูที่ใจมารู้อยู่ที่ใจสักว์แต่มาดูสักว์แต่รู้สักว์แต่เห็นอยู่ที่ใจหรือจิตเห็นจิตเรามาดูแล้วเรามีความอยากหรือไม่อยากอย่างไรเราเรามีความอยากไม่อยากอย่างไรแอบแฝงในการที่มาดูรู้เห็นจิตใจตนเองเรามีการมาดูแล้วเพื่อจะให้มันเป็นอะไรอยากให้มันเป็นอะไร เรามาดูอยากให้มันให้จิตมันเป็นอย่างไงอยากให้มันเป็นอะไรเวล้พอมันเกิดความไม่สบายแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างอย่างนี้อยากให้มันหายไปอาการที่ไม่สบายมันก็เลยทุกอึดอัดจิตเป็นทุกข์หักกันไปอีกจิตเห็นจิตมันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์หรือสติรู้อยู่ใจเป็นเหตุให้พ้นทุกข์แต่เรามาดูแล้วมันทําไมยิ่งเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราดูแล้วมันส่งจิตออกนอกเราเข้าใจผิดว่าเอ้าเราไม่ได้ส่งจิตออกนอกเรามาดูจิตนะ แต่ทํำไมเรียกว่าส่งจิตออกนอกคือการที่มาดูจิตและอยากให้มันเป็นไปอย่างไรอยากให้จิตใจมันเป็นอย่างไรอยากให้มันสบายอยู่อย่างนั้นอยากให้มันว่างอยากให้มันสงบอยากให้มันเบาอยากให้มันสว่างอยากให้มันว่างเว้นว่างไายสานไม่อยากให้มันทึบมันอัมันมืดมันตื้อมันแน่นไอความอยากไม่อยากนี่เขาเรียกส่งจิตออกนอกแม้แต่มาดูจิตอย่างเงี้ยแต่เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกการที่บอกว่าจิตเห็นจิตเป็นมรรคหรือสติรู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจนี่เป็นมรรคนั้น ก็คือสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอันนั้นแน่เป็นทางให้พ้นทุกข์เพราะจิตเห็นจิตมันเป็นวิธีการที่ทําให้พ้นทุกข์แต่เราไปดูยิ่งดูยิ่งมันเป็นทุกข์ยิ่งติดอดยิ่งทึบยิ่งแน่นยิ่งไม่สบายแสดงว่าเราไม่ได้จิตเห็นจิตแต่เราส่งจิตออกนอกแต่คนบอกว่าไม่ใช่ส่งจิตออกไปข้างนอกเลยไม่ได้ส่งจิตข้างนอกแต่จิตเห็นจิตและอยากให้จิตมันเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราไม่เข้าใจคําของท่าน ถ้าท่านดูแล้วไม่ส่งจิตออกนอกสัตบตาดูสับตาลูสับตาเห็นมันก็จะไม่มีความทุกข์ใดๆภายในใจเลยหรืแต่เวทนาทางกายที่เป็นความเจ็บไายได้ป่วยตามปกติแต่เวทนาทางใจทึ่เป็นความทุกข์ความอึดอัดความแน่นความตื้อภายในใจก็จะไม่มีจะหายไปหมดทิ้งเราจึงสังเกตออกเพราะว่าเราดูรู้เห็นโดยส่งจิตออกนอกก็ตรงที่ว่ามันมีความทุกข์ขันปรากฏนี่เองภายในใจ ถ้าเราสัเราดูสัพตารู้สัพตะเห็นที่ปฏิบัติจิตเห็นจิตที่เป็นมัดจริงๆแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความคืบัดทึบตืหรือขับแค้นอะไรภายในใจความคิดธรรมดาในเรื่องหน้าที่การงานคิดจะไปเข้าของน้ําคิดจะไปส้วมคิดจะไปตับซื้อข้าวกลับบ้านตอนเย็นคิดจะไปซื้อข้าวอะไรไปทําอันนี้มั น, ม, นมันไม่ได้เป็นเลยว่าความคิดเหล่านี้ไม่ได้คิดเพื่อความคิดถือการที่เราคิด เรื่องหน้าที่การงานจะต้องซื่อกับเก้าจะต้องทำนู่นทนํานี่ในชีวิตประจํำวันเป็นความจําเป็นของชีวิตความคิดที่คิดปรุงแต่งแล้วไปทําให้สิ่งเหล่านั้นนะํามามีที่ผลต่อใจได้อย่างนี้ก็เรียกว่าส่งกิตของนอกแต่ความคิดเรื่องหน้าที่การงานตามปกติมันไม่ได้คิดให้เรื่องเหล่านั้นนะมีมีที่ผลต่อใจแต่ถ้าเราทํางานอยู่แล้วเรามีความคิดที่ทําให้คิดเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยทําให้ความคิดเหล่านั้นนะ มีผลทําให้ความคิดเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อใจอย่างนี้ก็เรียกว่าความคิดเหล่านั้นส่งจิตออกนอกแม้แต่คิดเรื่องงานนะแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องงานเรื่องงานแท้เช่นคิดว่าโอโ้โหทําไมเราได้แต่ ง, งานหนักๆคนอื่นได้แต่งานสบายถ้าอย่างนี้มันไม่ันเหมือนกับคิดแต่ ง, งานแต่ไม่ได้คิดงานมันคือมันคิดแล้วทําให้อิทธิพลมีอิทธิพลต่อใจทําให้ใจมัน ม, มันมีปัญหาขึ้นมาทันทีอย่างนี้ก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกถ้าเราไปให้ความสำคัญปุ๊บส่งจิตออกนอกทันที ต้องรู้ตัวทันทีรู้ตัวทุกครัง้งเมื่อสิ้นการส่งจิตออกนอกมันก็เป็นอิโรตเองอัตโนมัติเพราะว่าเราไม่ต้องมาทําอะไรไ ม, ไม่ต้องพยายามทําให้ไม่ส่งจิตออกนอกเรารู้ตัวทัขนขณะที่จิตส่งออกนอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตไม่ส่งออกนอกมันก็ค้นทุกไปเองแต่การที่เราไปพยายามทําให้จิต ม, มันไม่ส่งออกนอกนี่ในตรงเนี้ ย, ยุ่ใหญ่เลยมันเท่ากับยึดถือใช่ไหมเพราะเราพยอยาก กาพยายามนี่เข้าไปอยากให้จิตเนี่ยมันไม่ส่งออกนอกไอ้ตรงนี้เราจึงยิ่งใหญ่เลยยิ่งยึดถือยิ่งแน่นยิ่งเหยียบไปหมดเลยคือให้รู้ทันจะก็ให้รู้ทันว่ากรณีอย่างเนี้ยเป็นกรณีส่งจิตออกนอกแล้วกล a c h เสียแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามให้มันไม่ส่งจิตออกนอกทามาส่งใหม่ก็รู้ทันใหม่ถ้ามาส่งจิตออกนอกใหม่ก็รู้ทันใหม่การที่พยายามไปบล็อกไว้แม่มันส่งจิตออกนอกไอ้ตรงนี้เรายิ่งยิ่งยุ่งหนักเข้าไปอีก เพราะอการพยายามเช่นนั้นมันเท่ากับว่าไปอยากให้จิตมันมันไม่ส่งออกนอกมันยิ่งเป็นทุกหนักกว่าอีกมีผู้ประกาศสุนทรมพระเจ้าว่าพราะองค์ทําอย่างไรจึงข้ามจากโอคะคือทะเลทุกข์ได้พระเจ้าเลยตรัว่าเราไม่ละความเพียรแต่เราไม่พยายามเราจึงข้ามทะเลทุกข์ได้ ผู้ง่ายจะจะเปรียบเทียบอย่างที่เราสอนก็คือว่าเพียรที่จะรู้เท้อทันจิตที่ส่งออกนอกแต่อย่าพยายามที่จะไม่ให้จิตส่งออกนอกคอยไปพยายามทำใจิตส่งออกมันก็ยึดถือยึดถือเพราะมีความอยากอยากไม่ให้จิตส่งออกนอกคือรู้ท้อทานเฉพาะที่มันส่งออกนอกมันก็ว่างเปล่าแล้วเรคอยรู้ท้อทันไปเรื่อยๆมันก็วางเปล่ามันก็ไม่มีอะไรเพราะเมื่อสิ้นการส่งออกนอกมันก็ไม่มีอะไรเองดูใจตนเอง ดูที่าจิตมันจะเป็นอย่างไรคําจะส่งออกก็รู้ทันไปเรื่อยๆรู้ทนันไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ต่อทันไปจนกระทั่งมันไม่ส่งออกเองอัตโนมัติไม่ใช่เราไปบังคับทําให้มันพยายามไม่ส่งออกอันนั้นนะเท่ากับเราส่งออกตลอดเวลาเพราะเราเข้าไปสนใจที่จะทําให้จิตไม่ส่งออกอันนั้นนะเท่ากับเท่ากับส่งออกตลอดเวลาพออยู่ตัวคนเดียวเสร็จแล้วก็ฝึกให้ใจเนี่ยมันอยู่ ม, มันเป็นสละในตัวมันเองโดยที่มันไม่ต้องไปเกาะเกีเ่ยวสิ่งใดเหมือนกับตัวเรา เหมือนกับตัวเราเนี่ยเีสละจากทุกสิ่งจริงๆแล้วก็ใจเรามันปีสละจริงๆมันไปไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดพปี่สละจริงๆไงเสวล้วได้จังมันไปก่อยแล้วอยู่คนเดียวได้ไม่นานเกาะคนโน้นเกาะคนนี้เกาะคนนั้นคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงคนคิดอยู่ทุกท่านมันก็ไมได้อยู่อยู่คนเดียวใจมันก็มีเพื่อนตลอดต้องรู้ท่าทางรู้ท่าทางรู้ท่าทานได้เลยเลยรู้เลยเลยเจะตั้งใจมันมันมันอยู่ในตัวของมันเอง อิระจริงๆจับทุกสิ่งจริงๆอยู่ตัวคนเดียวจริงๆใจมันอยู่ของมันเองเป็นอิสระ sign, จ, ร จ, ร ador, legends. จริงๆอยู่เดี่ยวๆจริงๆใจที่มันอยู่เดี่ยวๆจริงๆเป็นอิสระจากทุกสิ่งจริงๆนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมใจมันนั่นแหละที่มันไม่กาะเกี่ยวสิ่งใดและไม่ติดสิงใดเลยพี่อิสระจากทุกสิ่งจริงๆนั่นแหละคือธรรมและตลอดเวลาด้วยและนั่นแหละก็เรียกว่าธรรมบรรลุธรรมก็คือบรรลุใจตนเองที่เป็นอิสระจับทุกสิ่งคนไปหาแส่งงานทำไปแต่งงานอย่างอื่นนอกจากใจตนเองไม่ใช่ต่างนั้น ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือธรรมะไม่ได้อยู่ทีูบอาจารย์ธรรมะไม่ได้อยู่ในเทปหรือในซีดีที่ฟังธรรมะอยู่ที่ใจปีติสระกับทุกสิ่งใจเป็นใจของตัวเองเป็นเป็นใจที่เป็นปิสระจริงๆเป็นตัวเขาเองจริงๆโดยที่ไม่ก่อเกี่ยวจริงใดไม่ต้องไปพิงสิงใดไม่ต้องไปฝากไว้กับสิ่งใดไปแพ้ไ้กับสิ่งใดตลอดเวลาคอยรู้ตัวรู้ทันเร็วๆสติรู้ตัวรู้ทันเร็วๆแกรู้ทันปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นอิสระ มันก็ไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยวางไปเขาบอกว่ามาถึงว่านจากการเกาะเกี่ยวสิ่งใดไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวใจและใจก็ไม่ไปเกาะเกี่ยวสิ่งใดว่าเป็นอิสระจากทุกสิ่งจริงๆเนี่ยถือว่าไม่ไม่ใช่ว่าทําความรู้สึกในใจว่างว่าง